มังกรหยดภาคหนึ่งกำเนิดจอมมารเท่าสารพัดพิทตอนที่สองตอนสวรรค์มีตาในขณะที่ชื่อเสียงของจอมมารเท่าโดงดังไปทั่วยุทธภพในทางเลวร้ายต่างๆแต่มังกรที่วาก็ไม่เคยที่จะออกมาปฏิเสธหรือแก้ต่างแต่อย่างใดยังคงใช้ชีวิต ที่ไม่นำพากระแสภายนอกอยู่เหมือนเดิมสำนักไตรบุภาจะต่างไปจากเดิมตรงที่เหล่าลูกศิษย์ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเนืองแน่นมาบัดนี้กลับเบาบางจนหน้าใจหายศิษย์เดิมๆที่มังกรทิวาเคยตั้งใจจะถ่ายทอดรอยยุทธชั้นสูงให้เนื่องด้วยเห็นว่าที่ผ่านมาสามารถปฏิบัติได้ดีกว่าศิษย์คนอื่นๆ อ, อ, อีกหลายคน ทั้งพื้นฐานจิตใจก็ดีงามมีคุณธรรมแต่ไม่คาดคิดเลยว่าสิทธิเหล่านั้นกลับมีใจไม่ตั้งมั่นเกิดความวิตกคลางแคลงใจหลงเลิดไปตามข่าวของยุทธภ พ, พสำคัญไปว่าอาจารย์ของตนคือจอมมาหลายจึงถอนตัวจากไปอย่างไรเยื่อใหญ่บ้างก็กลับมาร่วมโจมตีให้หลายคนที่ตัวเองเคยนับถือเป็นอาจารย์ของตนอย่างไม่น่าเชื่อ บ้างก็จากไปด้วยความน้อยเนื้อต่ำใจว่าอาจารย์ลำเอียงไม่ยอมถ่ายทอดวรยุทธให้แก่ตนคงเหลือสิทธ์เพียงไม่กี่คนที่ยังอยู่ซึ่งเป็นไปได้สองสาเหตุคือ 1. เป็นผู้มีความหนักแน่นรู้จักใช้ปัญญาไตรตองเหตุและผลอีกทั้งเป็นคนที่รู้จักรอคอยและมีความอดทนอย่างยิ่งหรือ 2. เป็นเพราะเป็นผู้ไม่รู้จริงจังในเก่นสารไม่เคยคาดหวังที่จะต้องได้อะไรมากมายจากอาจารย์คนเหล่านั้นถ้าไม่ไมหวั ง, วงผิดผิดมีมหรือจ ะ, จะผิดหวังเรื่องราวบ่อยครั้งมักเป็นเช่นนี้สูงสุดกับสามัญมักมีผลคล้ายกันต่างกันก็ตรงเจตนาซึ่งบางครั้งความต่างตรงนี้อาจไม่มีความสำคัญเลย พวกเจ้าทั้งหลายฉนันไหนจึงไม่ละทิ้งที่นี่ไปจะได้ไม่ถูกตำหนิว่าเป็นพวกมารยุทธภพอาจารย์เทพหรือมารก็แล้วแต่จะเรียกเถิดแต่เท่าที่ข้าติดตามอาจารย์มายังไม่เคยเห็นท่านมีความประสงค์ร้ายต่อผู้ใดเลยแล้วข่าวเรือนียุทธภ พ, พจะเป็นจริงได้อย่างไรดีพูดได้ดีจะไม่เสียใจแน่นะ ข้าไม่เสียใจข้าไม่เสียใจสวรรค์ น, นั้นยุติธรรมเสมอสำหรับคนอดทนความจริงข้าต้องขอบคุณคนที่เจตนาใส่ร้ายข้าเพราะไม่เช่นนั้นมีหรือข้าจะได้เหล่าคำพีที่เขาล่ำาลือในยุทธภพเรื่องมันเป็นเช่นไรท่านอาจารย์พวกเจ้าก็รู้ขึ้นชื่อในยุทธภพคำพีสุดยอดคือของผู้ใด คำพีวรยุทธของท่านภิกษุหัวสิงห์วัดเส้าหลินแห่งเขาเกาสานแต่เท่าที่พวกข้าทราบมาคำพีเหล่านี้มี4ส่วนแต่บัดนี้ส่วนที่สมได้สาบสูญหายไปยุทธภพมิมีข่าวใดจึงเป็นที่สืบเสาะหากันมานานทั้งเส้าหลินและบูตึงแต่ล้วนต้องการยิ่งเพราะสำคัญยิ่ง ว่าด้วยการเดินวิชาและเค็ดวิชาต่างๆของท่านพิสุขหวบสิงผู้ล่วงรับไปนานแล้วใช่ไหมท่านอาจารย์มีคาดว่าพวกเจ้าก็รู้เช่นกันจอมยุทธทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นอาธรรมหรือที่อ้างตัวว่าเป็นธรรมะก็ตามรวมแต่ทุ่มเทและไฝฝันคำพีในเหล่านี้เป็นอย่างมากค้นหากันแทบพลิกแผ่นดินแต่ไม่มีใครสมหวังสักคน แต่ที่ผ่านมาพวกข้าไม่เคยเห็นท่านสนใจคัมภีร์ที่ว่านั้นหรือคัมภีร์ใดๆเหมือนกับเจ้าสํานักคนอื่นๆเลยนี่พวกเจ้าพูดถูกแล้วแต่ก็อย่างที่บอกว่าสวรรค์ น, นั้นมีตาผู้ผอยากย่อ ม, อมไม่ได้ผูไ้ได้ไดย่อ ม, อมไม่ไมอยา ก, ยากถ้าเช่นนั้นท่านอาจารย์ก็ได้คัมภีร์ส่วนนี้แล้วหรือมีข้าคิดว่าข่าวจอมมารที่แพร่ไปนั้นกลับเป็นหนทางนําพา ผู้ปกครองคำภีวายุทธนันตามหาตัวค่าพบและนำมามอบให้โดยไม่ต้องแสวงหาอาจารย์พวกข้ายิ่งงงไปใหญ่ไหนเลยเจ้าผู้ครอบครองคำภีไม่รักษาไวจึงนำมามอบแด่ท่านเป็นผู้จอมมันในสายตาของเหล่ายุทธภพเราก็ด้วยที่กล่าวร้ายตัวค่าจนเกินกว่าความเป็นจริงที่จะเกิดขึ้นได้ ทำให้เจ้าของคัมภีร์นั้นเมื่อมาพบข้าข้าได้เห็นลันจกรบนหน้าผากของข้าเขาจึงแน่ใจว่าข้าคือผู้ที่สมควรจะได้รับมอบคัมภีร์ที่ผู้บิดาก่อนลงรับได้สั่งเสียและให้สืบเสาะหาข้าจนพบท่านอาจารย์ข้าไม่เคยเห็นหน้าผากของท่านมีลันจกรอะไรเลย เมื่อถึงเวลาพวกเจ้าจะรู้และเห็นเองถือว่าเป็นวาสนาของพวกเจ้าสิ้นท้ายแถวของสำนักวันนี้กลับจะได้รับถ่ายทอดวิชาสุดยอดของวิชาจั ก, กรวานที่ใครๆเขาต่างหมายปองเมื่อพวกเจ้าฝึกสำเร็จวิชายุดธนี้ยุดพบยังอาจจะดูแคบเกินไปเจ้าจะสามารถท่องทั่วทุกพบ พร้อมกับภาระที่จะต้องช่วยเหลือสับปะสัตว์เช่นนี้แล้วพวกเจ้ายินดีหรือไม่ท่านอาจารย์พวกข้ายังไม่ค่อยจะเข้าใจคำกล่าวของท่านแต่รู้สึกเพียงว่าเป็นวาสนาของพวกเราแล้วมังกรที่วาเมื่อกล่าวจบก็เดินจากไปอย่างรวดเร็วโดยไม่รอคอยคำตอบอันใดจากสิทธิและนี่คือที่มาของจอมมารเท่าสารพัดผิดแล้วท่านล่ะ ผมจะเป็นสินจอมมาแล้วหรือยังปัญหาจะเมื่อมบนหรือขี้ข่โปรดติดตามตอนต่อไป